สาธารณในท่านสรชานชนทั้งหลายประสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องนิทัสสูตรเรียว่าประสูตรที่กล่าวถึงคนผู้ประเสริฐผู้เลิศผู้ดีผู้พิเศษทั้งหลายดังที่ได้เคยกล่าวไว้แล้วว่าประวัศาสตร์นานันเป็นระบบของคุณธรรม ความเลิศความประเสริฐของคนก็อยู่ที่ปริมาณคุณธรรมที่คนเหรานั้นมีอยู่เป็นเกณฑ์กําหนดแม้แต่ในเรื่องสังโยชน์สิบที่กล่าวกันมาโดยลาดับนั้นถึงสังเกตว่ามัเนเพื่อตัวจําแนกแบ่งแยกคนสามัญสามัญให้เป็นประโสดาเป็นพระสกิตาคาเป็นพระณาคาเป็นพระหัน์ โดยกาละสังโยชน์ได้มากน้อยแตกต่างกันมาหมายความว่าใครละ ก, กิเลสได้มากแสดงว่าธรรมะท่านมาละได้น้อยกิเลสท่านธรรมะท่านก็ น, น้อยธรรมะน้อยก็หมายความาว่ากิเลสมากธรรมะมากก็หมายความกิเลสน้อยตัวนี้ก็กลายเป็นเครื่องวัดเป็นเกณฑ์ในการกําหนด ความเป็นผู้เลิศประเสริฐของคนทั้งหลายวัตธรรมจึงเป็นปริยายคือในยะหนึ่งในยะหนึ่งแม้แต่ประสูตรเรื่องนี้เองก็มีทั้งสองสามสูตรโดยชื่อองค์ธรรมแล้วไม่เหมือนกันคือซ้ำกันบ้างต่างกันบ้างแต่ว่าโดยเนื้อหาแล้วก็คือทำให้คนเหล่านั้นเป็นผู้ประเสริฐเดีวยวกัน ในทิฏฐะสูตรสูตรหนึ่งพระสารีบุตรเทระได้เข้าไปบินทบาทในกรุงราชครืเวลาอย่างเช้าก็แวะไปคุย ก, กับพวกนักปูดนอกศาสนาต์เรียกรุมๆมาพวกอัญญาดีจีคนนั้นก็เสนอความเห็นว่าคนที่ผ่านการบทเรียนมานานถึงสิบสองปี ได้ชื่อว่าเป็นนิทัสระเรียผู้เลิศผู้ประเสริฐผู้พิเศษอะไรกันตามภระสาริบุตรท่านไม่ไม่รับแล้วก็ไม่ปฏิเสธกอกจากสำนักของอัญญาดิจธีไปบินทบาทหลังจากฉันเสร็จก็เข้าไปาพ่อพระพุทธเจ้าก็กราบหูเล่าเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบพระเจ้าก็ทรงสแสดง ถึงคุณธรรมที่ทำให้บุคคลได้เป็นผู้พิเศษผู้เลิศผู้ประเสริฐไว้เฉพาะในประโยินี้ก็มีเจ็ดข้อเป็นการแสดงภาพของสังคมยุคยุคโบราณนะฮะยุคพระพุทธเจ้าวันดานักปวจนักปวจจาระชิทั้งหลายนี่ที่จริงก็เป็นอันหนึ่งกันเดียวกันพอสมควรไปมาหาสู่กัน นักบวชในลัที่หนึ่งก็ไปพักในสำนักลัฐที่หนึ่งคลายๆก็พระนิกายหนึ่งไปพักอีกวัดหนึ่งอะไรแต่ใด ห, หรือพระในศาสนาหนึ่งไปพักอีกวัดหนึ่งก็ไปมหาสู่แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันแล้วก็ยอมรับนับถือกันที่มีที่ค่อนข้างแรงนะฮะที่จริงสําหรับพระพุทธศาสนาแล้วแต่ค่อนข้างแรงก็คือพวกนิครณที่คอยเบียดเบียนพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อย มันเกิดจากการแข่งดีความริษยาแต่ท่านก็กัวรเรื่อยนะฮะตั้งแต่ตอนพุทธศาสนาใหม่ๆจนประชนมายุตั้งเจ็ดสิบเจ็ดแล้วพระชนมายุพระพุทธจาเจ็สิบเจ็ดท่านก็ตายแต่ก็เรื่องก็ยังไม่สงบความคิดความเห็นของนัก บ, บวชในสัตสนอกศาสนาที่ท่านสนทนากันแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันนั้น บางอย่างสมกันคือคือเหมือนกันคิดตรงกันหมายความมารู้มาตรงกันก็อนโมทนาชื่นจมกันแต่พวกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นแผกออกไปอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ค้านยามวันสารีบุตรท่านมองเห็นว่าจะกำหนดเกณฑ์อายุนี่มันเป็นไปไม่ได้ เพราะว่าคนอายุน้อยกว่านั้นเป็นคนเลิดเป็นคนประเสริฐก็มีขนาดนั้นเลิดประเสริฐก็มีมากกว่านั้นเลิดประเสริฐก็มีเพราะถ้าไปกําหนดที่เกณฑ์อายุว่าสิบสองปีแล้วถ้าต่ำกว่านั้นจะว่ า, างไงมันโดยกลารไปไม่ไม่ใช่ข้ อ, อยุติดังนั้นเราจึงเห็นว่าเวลาพระเจ้าทรงกําหนดรุฒท่าบุคคลสามแนวนะฮะกำหนดเอาเฉพาะแนวก็กําหนดสามแนว แนวหนึ่งก็วายวุธก็ยอมรับในด้านอายุแต่อย่าคิดว่าเก่งไปได้ทุกเรื่องก็ถือว่าเป็นผู้เจริญโดยวสําำรวนบาลีว่ารู้ราตรีนานฮะคงํำนวนภาษาไทยจะเรียกว่าอาบน้ำมากอดอาบน้ำร้อนมากอดเนี่ยแล้วก็ให้ความเคารพนับถือในฐานะที่เป็นผู้เจริญว แต่ว่าคนบางคนอาจจะเป็นเด็กเล็ก ๆ, ๆแต่มันจเจริญโดยคุณมีคุณธรรมความดีมีความรู้มีคุณธรรมสูงก็ต้องยอมรับโดยคุณชาติกําเนิดท่านเหล่านี้จะเป็นยังไงก็ตามก็คือว่าเป็นบุคคลที่ควรแก่การยอมรับยกย่องคนนี้พระเจ้าปเสนที่กุศลเคยไปสนทนากับพระพุทธเจ้าตอน คือจากการสังเกตุส่าตอนตอนนั้นคงเป็นคนรู้จักกันเฉยๆยังไม่เป็นยังไม่ประกาศตัวเป็นอุปสมบทหรืทั้งสองพระองค์นั้นประชุมมายุธเท่ากันก็แสดงว่าคงผ่านการศึกษารุ่นราวข่าวเดียวกันอาจจะรู้จักกันมาก่อนมานั่งคุยกันพระเจ้าประเนสนีโกศลก็ถามว่า เดี๋ยวนี้มีคนประกาศตนเป็นอรหันต์กันมากคาว่าประสัมมนาโคโดมประกาศเขาด้วยเลยพระเจ้ารับสั่งว่าถ้าจะถือว่าใครเป็นอรหันต์สมมาสมพุท ธ, ธสกคนหนึ่งก็ควรจะกล่าวว่าอัตมาเนี่ยเป็นอรหันต์สมมาสมพุท ธ, ธ พระเจ้าประเสริฐดุโคศลบอกอายุประสมณะโคดมยังเด็กเพเกินน่ะคนแก่ๆอย่างนี้เขาจะไม่กล้าประกาศพระเจ้าก็ส่งแสดงถึงสิ่งที่บุคคลไม่ควรดูหมิ่นสี่ประเภทคือกษัตริย์เอย่าดูหมิ่นว่อย่างทรงพระเยาว์ไฟอย่าดูหมิ่นว่ากองมันน้อยอสรพิษจะไปดูหมินว่าตัวมันเล็กภิกษุอย่าไปดูหมิ่นว่าอายุอย่างเยาว อย่างน้อยอยู่เพราะว่าคุณภายในเนี่ยเราไม่รู้ท่านอาจจะมีคุณสูงส่งก็ได้ตอนในสมัยพุทธกาลพระอารานบางรูปอายุเจ็ดขวบอย่างสําเนินราวขุนสําเนินราวขุนยี่สิบปีแล้วนะตอนมาดูมคผลเป็นประหารเดี๋ยวท่านพระทัพพระมารบุตรเนี่ยอายุเจ็ดขวบภาษาสังกฤตอายุเจ็ดขวบ มีท่านอาทิมุตอะไรเนี่ยบรรลุผลตั้งแต่เป็นเด็กเป็นเด็กมีตั้งเยอะหลายรูปท่านเรวตตอะไรนั่นก็แสดงว่าให้ความสำคัญแก่คุณแต่ไม่ได้ปฏิเสธไม่ปฏิเสธวัยนะฮะก็ยอมรับ็นฐานะวัยแต่วัยไม่ใช่เกณฑ์กำหนดว่าอายุเท่านี้ปัญษาเท่านี้แล้วจะเป็นผู้ประเสริฐประการต่อไปคือชาต ชาติกำเนิดชาติสกุลที่เรเรียกว่าชาติทิวตโ ด, ดยชาติกำเนิดกาเนิดคือชาติสกุลแต่ทั้งหมดนั้นถ้าเรามองสาวเบื้องหลังมันเกิดขึ้นมาจากบุญคือบุญที่เป็นเหตุให้มีอายุยืนบุญที่สร้างความโน้มเอียงให้เกิดพอใจใส่ใจยินดีในคุณธรรมบุญที่เป็นเหตุให้เกิดมาในสกุลสูง มีที่มาเหมือนกันเป็นที่มาด้วยบุญเหมือนกันแต่ว่าผู้เจริญโดยคุนนั้นเป็นที่มาที่ชัดเจนว่าเกิดขึ้นจากความพยายามในปัจจุบันเป็นการลงตัวแต่ว่าชาติกำเนิดไม่แน่นะฮะบุญทรงให้เกิดแต่ทำชั่วก็ได้อายุยาวแต่ว่าอายุมากอายุยืนแต่ว่าเป็นคนทำความไม่ดีก็ได้ ไม่ใช่ปฏิเสธแต่ไม่ใช่ข้อลงตัวนะฮะว่าอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ใช่เวลายอมรับก็ยอมรับทั้งสามด้านและคุณธรรมที่ส่งแสดงเฉพาะในประสูตย์นี้ส่งแสดงไว้เจ็ดข้อเจ็ดข้อมีความต่อเนื่องที่ที่คือเรียกว่าใช้คาแปลกนะใช้คาแปลกตรงใช้คาว่ามีฉันทะ มีชันทะคือมีความพอใจในการสมาทานศิกขาทั้งหลายมีความรักอย่างแรงกล้าในสิกขาทั้งหลายคือจะซ้ํากันสองเรื่องหมายความว่าไม่ไม่ใช่พอใจเฉยๆแต่มีความรักในลักษณะทนุถนอมในสิ่งที่ตัวพอใจของการไม่เกิดภยัยไม่เกิดอันตรายกัสิ่งที่ตนรักตนทนุถนอม ท, ที่นี้คําว่าสิกขา กรรมสิกษานั้นโดยรวมก็คือศีลสมาธิปัญญาแปลว่าสิ่งที่จะต้องศึกษาเป็นหลักการวิธีการในการประพฤติปฏิบัติเพื่อพัฒนาบุคคลให้มีความเปลี่ยนแปลงในทางพฤติกรรมในทางอาการทางกายทางวจชาทางใจสงบขึ้นสะอาดขึ้นสงบขึ้นสว่างขึ้นจนถึงเข้าถึงความสมบูรณ์ในฐานะนั้น แล้วก็เรียงความสมบูรณ์เป็นชั้นๆท่านเด่เห็นว่าระดับศีลสมบูรณ์ระดับสมาธิสมบูรณ์ปัญญาสมบูรณ์แล้วยังย่อยในระดับศีลอีกออย่างญาติโยมทั้งหลายศีลสมบูรณ์ก็เอาแค่ห้าข้อหาข้อก็สมบูรณ์คนบางคนยังไม่ถึงห้าข้อเอาปานาธิบาตรักษาได้สมบูรณ์รักษาสัจจะได้สมบูรณ์ก็เอาสมบูรณ์เป็นชั้นๆไปคล้ายๆกับการศึกษาข้างนอกอะ ปฐมบริบูรณ์มัธยมบริบูรณ์ก็บริบูรณ์กันไปเรื่อยแต่บริบูรณ์เฉพาะชั้นนั้นๆจนกว่าจะถึงชั้นสูงสุดการสมาทานก็คือการรับแล้วก็นํามาประพฤติปฏิบัติแต่มันเกิดจากความพอใจถามว่าความพอใจนั้นเกิดขึ้นมาจากอะไรจะต้องเกิดขึ้นมาจากการใช้ปัญญาตรวจสอบมองเห็นคุณโทษของสิ่งดอกนั้นเช่นกอน เรอตรวจสอบแล้วมองเห็นคุณค่าของสิขาเหล่านั้นว่าเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติพัฒนาสร้างความสวัสดีให้แก่ตนสร้างความสวัสดีให้แก่สังคมของคนได้อยู่ร่วมกันในกรอบของสิขาทั้งหลายทีนีใน้ในความเป็นสิขาท่านลองสังเกตว่ามันก็ย่อยอีกอะ่ะเพราะิ่งๆิ่งมันเต็มไม่ได้ มันเหมือก็ขึ้นขึ้นมาบนอาคาในนิ่งๆิ่ ง, งรวดเดียวมันขึ้นไม่ได้มันก็กลายเป็นขั้นขึ้นการกำหนดเป็นขั้นก็คือการกาหนดขึ้นมาเป็นรูปของสิกขาบทคำว่าสิกขาบทก็คือก้าวคือขั้นของการศึกษามันเกิดขึ้นมาจากความคิดพินิษ์พิจนาระดับศีลธรรมธรรมดาธรรมดาระดับศีลธรรมดานะคิดแบบอุปมาเอาใจเขามาใส่ใจเรา แล้วก็งดเว้นจุดใหญ่ให้ได้ก่อนือทำยังไงว่าเอาตรงนี้ให้ได้ก่อนแนวตรงนี้ให้ให้เราลองสังเกตว่าบางทีไม่เอามากขอตรงนี้ก่อนเช่นอภันกักปฏิปทาที่เคยพูดมีสามข้อขอตรงนี้ก่อนบางทีมันมากไปสามข้อขอตรงนี้ก่อนขอข้อเดียวก่อนขอให้ได้สักข้อก่อนรายละเอียดอย่างไม่พูดกันเช่นขอขอให้มีความเห็นชอบก่อน เขาอย่าฆ่ากันก่อนอย่างอื่นค่อยว่ากันมันนิ่งๆรัด้เดียวหาข้อมันไม่บ่อยมันหักคั้นหนามันกระโจนไม่ได้เมันกันนั่นแหละาหากันมันก็ขึ้นมาทีละคั้นแล้วกันก็ถือว่าทําได้สมบูรณ์ในสี่ขาบทข้อนั้นๆนะท่านตั้งหลายจะเห็นว่าเวลาเราสมาทานศีลที่เราแยกเป็นวิสุงวิสุงกั็ไม่วิสุงวิสุงนะฮะก็ท่านถือว่าถ้าวิสุงวิสุงก็ขอทีละข้อ ถ้าขาดก็ขาดไปทีละขอ้อแต่ถ้าไม่ใส่วิสุงก็ถือว่ารับรวดเดียวเลยเอาทั้งห้าข้อแล้วพยายามรักษาสมบูรณ์ตั้งห้าข้อแต่ยังไงก็ตามนะฮะคามหมายความว่าไม่ใช่ทุกคนทำให้สมบูรณ์แต่ทุกคนก็พยายามที่จะทาให้สมบูรณ์เมื่อปฏิบัติแล้วเนี่ยได้สัมผัสมันจะเกิดเห็นคุณค่าไอ้ตัวความรักในตัวเนี่ย ไอ้สิ่งเหล่านี้มันเกิดมาจากสิ่งนี้ถ้าเราไม่มีสิ่งนี้ไอ้สิ่งนี้มันก็ไม่เกิดขึ้นแกเราที่บางทีท่านแสดงที่ที่เคยพูดเรื่องสาวมัญญผลคือผลจากการบวชเป็นสัมเนธคือบางทีเอาง่ายๆอย่างพิกษุนีรูปหนึ่งเนี่ยนะฮะท่านท่านท่านท่านบอกว่าผลจากการบวชของท่านอย่างน้อยท่านพ้นสามอย่างท่านพ้นจากการต้องตามข้าวท่านพ้นจากการต้องหุงข้าว ถัดพ้นจากการต้องทำหน้าที่แม่บนต้องก็พ้นมาแล้วก็ก็เรียกว่าขึ้นมาเรื่อยๆเก้าเก้าขึ้นมาเรื่อยๆทำให้ตัวเองเบาลงปรุงเบาลงสละสลวยขึ้นจิตใจมีความสงบขึ้นแล้วก็ตายไปโดยลำดับปางทีก็ ส, งสงก่งโนในแนววัตถุคือใกล้ๆกับการขัดภาชนะการถูพื้นการซักผ้ามันไม่ใช่นิน่งสะอาดขัดไปเรื่อยๆแล้วกัน ตอนที่พูดถึงสนิมทองเหลืองที่มันจับเครือไปหมดก็ขัดๆแล้วกันขัดๆไปเรื่อยๆมันสะอาดเองอย่าไปหยุดใช้ความเพ ย, ยายามเพราะฉั้นขัดตจึงใช้กับว่าอารัฐวิริโยคือมีความพยายามอย่างติดต่อกันไปมันไม่ใช่สะอาดวันนั้นหรอกว่าไปเรื่อยๆแล้วกันทีนี้มันจะต้องมีความรักทรงใช้กับว่าอย่างลึกซึ้งทรงอุปมาถึงการรักษาศีล เมื่อวานมาไปรมพระที่เป็นผู้ทหารเรือรุ่ม80 ร, รูปก็มีต่อปัญหาอะไรต่ออะไรเยอะนะฮะคือเราบอกว่าปัญหาบางอย่างเนี่ยคนที่เขาคิดนะ่ะเขาคิดว่าง่ายนะฮะแต่คนบางคนก็คิดว่ามันยากเพราะันอยากคิดว่าไอ้เรื่องที่เราว่ามันมันน่าจะเป็นไปได้เนี่ยคนอื่นต้องเห็นตามเรา เหมือนคนในมวดสุขอยู่ตามบาตามครับในเรื่องมีเพศสัมพันธ์ในเขาง่ายมากแต่คนรักษาศีลนี่มันยากมหาศาลนั่นนะะที่เขาจะไปละเมิดศีลของเขาเนี่ยเขารักษากันมาสุดชีวิตจิตใจบวชกันมาตั้งแต่ตัวเล็กตัวน้อยแล้วนี้นิงคุณบอกเขาผิดศีลอย่างงั้นอย่างนี้ก็สละชีวิตมาทั้งชีวิตอะมามาเพื่อปฏิบัติพัฒนานิน่งละเมิดศีลคิดง่ายๆแบบคนอยู่ในบาในครับมันไม่ได้มันต้องคิดอีกจุดหนึ่ง และเราจะเห็นว่าจริงๆไม่ใช่งา่ายเหมือนกับคนที่เป็นกุลบุตรกุลสตรีนะเขารักสวยรักงามรักความสะอาดรักสุภาพไร้ร้อยจะกล่าวคำายาบสักคำจะยกมือชี้หน้าคนนกทีมันไม่ใช่ทำง่ายอะ่ะแต่คนเลวๆมันก็ทำได้นะแต่คนคนดีๆเขาเขาไม่ใช่เรื่องทำได้ง่ายได้ยังไะ เนอย่าไปวัดใจตัวเองกับเหมือนว่าคนทุกคนเอ้ยถ้าเป็นเราเราเราทำแล้วคนอื่นต้องทำํำไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นไปไม่ได้ทั้งความดีทั้งความชั่วพระเจ้าทรงวางเป็นมุมก ว, ว้างเอาไว้ว่าความชั่วคนชั่วทําได้ง่ายคนคนคนชั่วคนดีทําได้ยากแต่ความดีคนดีทําได้ง่ายคนชั่วทําได้ยากเพราะนั้นควาจริงมันก็อยู่ที่ใครนะไม่ไม่อยู่ที่อะไรอยู่ที่ใครทําตรงนี้เพราะฉะนั้น ถ้าเราคิดว่าตรงนี้ถ้าเป็นเราเราเร า, เราทำไม่ใช่บางคนอื่นจะทำด้วยเพราะพื้นฐานจริงๆของเราก็เขาเนี่ยไม่เหมือนกันทั้งดีทั้งชั่วนะฮะกันแล้วแต่ว่าเราจะจะเป็นใครกันตามตอนั้นในจุดเนี่ยท่านบอกว่ารักทนู ท, น, ทนอมศีลอย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะว่าพระพระสองรูปแต่คนนับต่างกรรมต่างวรรคกันนะะไปเจริญกรรมฐานนั่งกรรมฐาน ก็นอนในป่านะฮะไอ้งูใหญ่มากรืนตื่นขึ้นมาถึงนี่ข้าไปตั้งครึ่งแล้วอุณนงก็รีบจเจริญกรรมฐ า, านเลยสงบจิตพิจารณาทุ ก, กเวทนาที่เกิดขึ้นจเจริญวิปัสสนากืนกับบังจมิดบรรลุมรรคผลเป็นพระหันนั้นแสดงว่ารักศีลมากกว่าชีวิตเพราะอะไรเพราะชีวิตยังไงอยู่ไปมันก็ตาย แต่ว่าศินเนี่ยเรารักษามานานแล้วมันจะรักษาเราตลอดไปเป็นบารมีธรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนสร้างพบสร้างชาติพัฒนาจิตสร้างลักษณะนิสัยเป็นวาสนาบารมีอะไรต่ออีกมากมายก่ายกองมันก็ถึงทางเลือกว่าท่านพิจารณาแล้วท่านเห็นว่าจะเอาอะไรจะเอาชีวิตหรือจะเอาศีลเหมือนกับพระจักคุบาลที่นานเคยเล่าฟังที่ท่านตาบอดนะครับ จเริญนกรรมฐานอธิฐานใจในพัรษาว่าจะเดินจงกรมจะนั่งจะนั่งจะยืนจะเดินแต่จะไม่นอนใชียาบทสามไม่ใช่ยาบทที่สี่ก็มีเนี่ยนั่งยืนเดินมีสติระลึกกรรมฐานตลอดไม่ได้พักเกิดตามีน้ำตาไหลออกมาหมอมาตรวจบอกให้หยอดตา ท่านก็รับยามาแล้วก็นั่งหยอดได้ยามันไม่หายหยอดเล้ยวไม่หายหมอว่านท่านๆ น, น, น, นั่งหยอดหรือนอนหยอดท่านบอกว่านั่งหยอดเอาทาไมนั่งทำไมนั่งทำไมถึง ไ, ไม่นอนหยอดท่านก็ไม่ไม่ยอมนอนในที่สุดพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยหมอก็ขูบ่บอกว่าถ้าอย่างนั้นผมก็เลิกรักษาท่านนท่านไม่ปฏิบัติตามคำสั่งหมอท่านตาต้องบอดแน่เพราะบอดพวกก็สีชื่อ ท่านก็มาถึงก็เรียกปรึกษากับกรัชกาลถามเธอจะเอาอะไรจะเอาตาหรือจะเอาสัจจะเพราะเธอตั้งตั้งใจไว้จะจะไม่นอนนะถ้านอนเธอก็เสียสัจจะแต่เธอก็อาจจะตาเหลืออยู่แต่ตาเธอนี่เคยบอดมาในภพชาติต่างๆเยอะแบบบอดอีสักชาติมันจะเป็นได้ไปตอนลงก็ไม่นอนนะนะฮะแล้วก็ตาบอดพร้อมด้วยปัจจุบันผลนั่นคือคนระดับที่เรียกว่ามันมีชั้นทะมีความรักในสิกขาอย่างลึกซึ้ง ตายเป็นตายรักษาเป็นตายตายเป็นตายอย่างที่ท่านทรงอุปมาว่าเหมือนกับนกต้อยตีวิทยรักษาฟองไข่เหมือนจามอรีรักษาขนหางคนที่เขารักษาจริงๆเนี่ยเขารักโดยชีวิตของเขาเป็นเรื่องเฉพาะตัวเราคิดแทนเขาไม่ได้และเราสันนิษฐานว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้เป็นเรื่องเฉพาะตัวเป็นเรื่องปัจจตังเฉพาะคนคนนั้น ทำไมมันรักเหลือกเกินทนุ่นทนอมเหลือกเกินเพราะเขามองเห็นผลประโยชน์ที่จะได้จากศีลมันยาวกว่าชีวิตตั้งโยอะชีวิตนีสั้นนิดเดียวนะแต่ผลศีลผลทานผลภาวนามันยาวเป็นบรารมีธรรมสร้างพบสร้างชาติอยู่แยะไม่วิสักถ์เท่าไหร่นั้นก็เกิดมาจากการ ใช้ปัญญาพิจารณาถึงสิ่งเหล่านั้นก่อนปฏิบัติพิจารณานะครับในขณะปฏิบัติแล้วพอสัมผัสผลเมื่อเกิดความรักลึกซึ้งคล้ายๆกินของอร่อยนะฮะก็กินเรื่อยๆนี้ก็เป็นข้อปฏิบัติประการแรกเรียกว่ามีฉันท่าคือความพอใจในการสมาทานสิกขา พอใจในการสมาทานศิกขาอย่างยอดยิ่งแล้วก็มีความรักอย่างลึกซึ้งในตัวศิกขาในศีลในสมาธิในปัญญานะฮะในระดับต่างๆก็ตามตามที่ท่านเหล่านั้นได้ศึกษาแล้วก็ได้ประพฤติปฏิบัติประการต่อไปนั้นมีความพอใจในการฟังพระสัทธรรมแล้วก็มีความรัก ในพระสัทธธรรมอย่างลึกซึ้งมีความรักในการฟังพระสัทธธรรมอย่างลึกซึ้งเมื่อวานกันเหมือนกันนะฮะมีญาติโยมก็ถามว่าจะพูดสักเท่าไหร่บางที่ก็บอกไว้สองชั่วโมงฮะแต่พูดจริงก็สามชั่วโมงเวบอกพูดอะไรทั้งสามชั่วโมงบอกคุณไม่ใช่พวกฟังเทศแตพวกฟังเทศก็ฟังตั้งห้าชั่วโมงงทีก็คุยกันตั้งคืนเลย พูดได้ฟังได้นะแล้วเป็นสุขบางทีคุยต่อมะเนี่ยนะไปเจอกับพวกอาจารย์กรรมฐานเนนั่งคุยกันที่รุ่งมันมันเพลินมันมันผ่านวันเวลาไปได้ไรไปรู้ม้อยต่างคนต่างก็ชอบบางคนก็เป็นสุขบางคนแรู้สึกว่ารู้ได้รับความสบายนะคุ้มค่าที่อดนอนเ็าก็าาฟังเขาไปอะ่นะบากคนก็ฟังเทศรุ่งฟังเทศอะไรมันก็อยู่ที่ความพอใจ มองเห็นประโยชน์จากการฟังมันเป็นการเสริมปัญญาเสริมความสงบเสริมศรัทธาอาศัถให้เกิดขึ้นและจะมองไปที่ความซาบซึ้งดื่มด่ำในพระคุณของพระพุทธเจ้านะครับำไปทรมาอย่างที่พระเทรีรูปหนึ่งชื่ออัมปปาลีคณิกาอดีโสเพนีนะครับ ดิโซเพนีที่รับสเสด็จพระพุทธเจ้าตอนที่สเสด็จไปจากนิพานจานิพพานที่กุศีนาราที่ยมพะปาลีเที่ยมพะปาลีวันต่อมาท่านบวชเป็นภิกษุณี แล้วท่านท่านท่านบรรลุมรคผลแล้วนะะแล้วท่านก็เอาตัวท่านสอนตั้งแต่ผมมาหยิบมาทีละเส้นเลยมาสอนร่างกายทีละส่วนทีตส่วนเมื่อตอนเสาว์เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นเมื่อเสาว์เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นว่าด้วยเปล่าวมากเลยก็เรียกว่าอะไรนะครับบทเพลงพระอรหันต์ไพเรอะมากนะะพเรอะมากเลยน้อมสิ่ง อดีตเข้ามาหาปัจจุบันเดี๋ยวให้ดูปัจจุบันเดีวเสร็จแล้วมันมาจบดูเลยคำว่าโอ้พระพุทธเจ้าอัศจรรย์จริงคําสอนของพระพุทธเจ้าอัศจรรย์จริงมันจริงอย่างที่ทรงสอนไว้ไม่รู้จะพูดยังไงนะฮะไม่รู้จะพูดยังไงโอ้ท่านอัศจรรย์จริงท่านสอนถูกต้องจริงท่า น, านสัจสรู้จริงเห็นไหมเราจะเกิดปีติเกิดประมุขเกิดศรัทธาด้วยใเกิดปีติประมุขแล้วก็พยายามที่จะศึกษาค้นคว้าต่อ วันการฟังที่จริงก็ไมาเน้นในการฟังนะฮะอาจจะหมายถึงการอ่านก็ได้การสนทนาก็ได้ขึ้นแนวการเรียนรู้ทางภาษาสัมผัสตลอดถึงการนำมาคิดก็สรุปรวมอยู่ในในเรื่องของการฟังมีความรักอย่างลึกซึ้งในการฟังอย่างตัวอย่างบุคคลในสมัยพุทธกาลพระราหุลโอรสของพุทธเจ้านะฮะพระราหุลเทระเนี่ยท่านเป็นเนรท่านบนเิ็ๆ แต่ท่านชอบฟังมากชอบฟังตื่นเช้าขึ้นมานีนกำสายขึ้นมากอบกบมือนะกอกกับมือเนี่ยแล้วก็โปรลงไปเราะวันนี้ขอเราได้ฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าพระอรูบาจารังหลายเท่ากับมลาลเซียอธิษฐานทุกวันตื่นเช้าขึ้นมากอธิษฐานขอให้ได้ฟังแล้วฟังด้วยความตั้งใจทําให้ท่านท่า น, ท, านท่านเราจะเห็นว่าพระสูตรที่เกี่ยวกับท่านนี่เยอะ ที่พรเจ้าสอนตั้งแต่เด็กๆมาสอนมาเรื่อยสอนจากง่ายๆตธรรมดาธรรมดาธรรมด า, า, มดาคิดมานนิดเดยวสาธุบุตรก็สอนเลยเป็นคนใส่ใจสนใจอยากฟังแล้วก็สอบถามซักถามไปเรื่อยๆก็กลายเป็นสะสมประสบการณ์ในสายตรงนี้แล้วท่านบรรพบุรุลตอนอายุยี่สิบกว่านะสนใจศึกษา คล้ายๆกับพระอานนท์เนี่ยนะสนใจในการทำงานในการศึกษาเลยบรรลุมกผลช้าแต่ว่าสิ่งที่ท่านได้เนี่ยคนอื่นก็ไม่ได้สิ่งที่คนอื่นได้ท่านได้แต่ได้ช้าไปช้าไปหน่อยเปื่อนก็บรรลุมกผลไปนานนะเป็นพระหานไปนานนะท่านก็เป็นแค่พระโสดาบันแต่ว่าพระอานนท์กลายเป็นครั่งของความรู้ที่คนอื่นไม่ทัดเทียนท่านได้เลย อย่างหนึง่งแต่ก็ได้อย่างหนึง่งแต่ทีหลังก็ท่านได้นะฮะแต่หลังก็ท่านได้เหมือนกันเพราะงั้นพระราหุลก็มีลักษณะอย่างนั้นที่จึงบารมีท่นานเยอะเมืท่านบรรลุโมขุนชาประมาณสักก็คงสี่ห้าปีนะฮะอีห้าปีหลังจากปวดก็ยื่สิบกว่าปีแต่บรรลุโมขุนนี่ก็แสดงว่ามีความพอใจคือมีชั้นพระในการฟังธรรม แล้วก็มีความรักอย่างลึกซึ้งในการฟังธรรมจะเป็นยังไงก็ตามนะท่านเหลอนนี้เป็นนักฟังในท่านจะหาประโยชน์ได้หมดหาประโยชน์จากสิ่งอย่างที่ท่านเล่าถึงถึงโขงชือนั่งรถรถไปไปเจอเด็กเล่นเล่นขายของทำเป็นเมืองมีกำแพง กำแพงทำเป็นเมืองขวางถนนรถครงจื้อไปไม่ได้จื้อบอกไอ้หนูนะโลบหน่อยเดี๋ยวลุงจะไปไนะ อ, อ, อ, อ, อ้รถกัมพันนะ์ไปไม่ได้เด็กมันถามมาลุงผมไม่เห็นไม่เห็นเมืองมันหลีกรถเลยแต่เห็นแต่รถหลีกเมืองกันเนี่ยนี่เกิสร้างเป็นกำแพงก็ได้คิดนะเออจริง ไม่มีรถที่ไหนอ่ะไม่มีเมืองที่ไหนเด็กก็ลีกรถได้มีแต่รถต้องอ้อมเมืองเรนี่ก็คือก็คือได้มาจากความคิดเด็กๆได้จากความคิดเด็กๆแต่นั่นเองแล้วก็ก็พอใจที่จะฟังก็ได้ประโยชน์จากการฟังจนมีความรักนะมีความพอใจมีความซาบซึ้งดื่อดับในการฟังมีนักปราชญาศาสนาพูดฝรั่งเศสคนหนึ่งท่านไม่อ่านหนังสืออื่นเลย ก็ถามทำไมทำาม อ, า อ, อ่า น, านสนะอืออ่านเฉพาะพระไตรปิฎกนะฮะอังสืออื่นไม่อ่านเลยอ่านอยู่แต่ก็พระไตรปิฎกหมกมุ่นคลุนคิดแต่พระไตรปิฎกเชียบเคียงมีแต่นังสือพระไตรปิฎกเท่านั้นท่านบอกไม่มีเวลาเวลาก็ชีวิตที่มันสั้นที่จะศึกษาให้แตกฉานเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยเอาเฉพาะพระไตรปิฎกก็พอแล้วแล้วพระไตรปิฎกเองเราก็ไม่สามารถจะอย่างรู้ได้ลึกนะฮะเพราะว่ามากเหลือเกินกนะ็ ข, ขายคําสอนได้มากไหลเกิน เราเห็นว่าตรงนี้มันเริ่มที่ปริยัติแต่จะนําไปสู่ความเพียรนําไปสู่สตินําไปสู่ปัญญานําไปสู่ศรัทธานําไปสู่สมาธิปิติอะไรไปไ ป, ไปหายไปเลยประการต่อไปนั้นมีความรักในการลดละบันเทิงกิเลสไม่ใช่มีความพอใจนะฮะมีความพอใจในการลดละบันเทิงกิเลส แล้วก็มีความรักอย่างลึกซึ้งในการกระทำอย่างนั้นบางทีทรงอุปมาลักษณะการทํางานเหมือนกระช่างทองไล่สนิมทองโดยจะเห็นว่าสมาธิต้องดีมากนะแล้วต้องเข้าใจแยกระหว่างสนิมกับทองได้หรือจะก็ไล่ทองออกเหลือสนิมก็ยุ่งกันตายเพราะฉนั้นมันมันตรงนี้มันต้องผ่านระดับปัญญาที่จะมีเคราะมีการวิเคราะห์วิจัยตรวจสอบเทียบเคียงในขณะนั้นนั่นเห็นจางไป จิต ใ, ใจมีความสงบมีความเยือกเย็นขึ้นเอจะมากหรือน้อยก็ตามนะฮะแต่ว่าเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วก็พอใจที่กระทําไปเรื่อยๆแนวของอะไรละ่ะแนวของสัมมาวายามะที่ส่งสอนใหบุคคลปลูกฝังความบอใจในการละความทุกขเป็นการกระทําที่ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆทาเท่าดีทําได้นะฮะทำเท่าดี ท, ดนะ ท, ทําทไปได้ ที่โบราณจะใช้คำในยะถาสติยถาพลังโบราณจะมีคําตรงนี้อยู่เลยยถาสติยถาพลังตามกําลังความสามารถของเราที่เราจะทําได้แต่รู้สึกว่ากิเลสมันจางไปคลายไปลดไปนะบรรเทาไปสมมุติว่าท่านโลภสมมติอย่างโลภนะลองด้วยความโลภเนี่ยสมมุติว่าได้เงินมาสักสิบล้า น, นจะไปทำอะไร ถ้าคิดออกไปเป็นการสาธารณะกุศลคิดจะช่วยตรงนั้นคิดจะช่วยตรงนี้คิดจะทำยั้นอย่างนีนนน้ก็แสดงว่าดีกันเยอะแหละเมื่อก่อนมันโลภเพื่อเราเองนะตอนนี้มันโลภจริงอยากได้จริงก็อยากได้เพื่อบุคคลอื่นอยากจะเอาสิ่งเหล่านั้นไปช่วยบุคคลอื่นเห็นความทุกข์ความเดือดร้อนของบุคคลหรือเห็นคนน้ำท่วมอะไรตัวอยากช่วยเฉยนี้เดียวไม่มีสตางค์ช่วยเรียกช่วยยังไงอันนี้ก็แสดงกุศลฉันทะคือความพอใจในกุศล ที่มันเกิดขึ้นภายในใจเราก็อยากจะช่วยอยากจะทํางานตรงนั้นก็โลภนะฮะจริงๆก็คืออยากได้ในศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าทรงทร ง, ทรงปล่อยไปทางระบบแต่ว่าไปคุมด้วยคุณธรรมและในสุดมันก็ย้อนกลับเข้ามาสู่ประชาชนที่เรียกว่าสำนวนปัจจุบันเขาใช้คำว่าคืนกำไรให้แก่ประชาชนนะฮะเป็นระตนบุตรพระพุทธเจ้าสร้างเศรษฐีและเศรษฐีมาช่วยสังคมลูกศิษพระพุทธเจ้าเป็นเศรษฐีช่วยสังคมหมดรวยมหาศาลรวยไปเลยส่งสอนให้รวย แล้วก็พัฒนาใจใจมันกว้างขึ้นใจมันกว้างขึ้นไม่ใช่รวยแล้วใจแคบนะะไม่ใช่ว่าทรัพย์สินเงินทองมากแล้วใจแคบลงด้วยใจมันจะกว้างออกและจะนึกถึงความทุกข์ของบุคคลคือใช้ระบบเดียวกันใช้ระบบเดียวกันกับวิธีของพระพุทธศาสนาอย่างที่เคยเล่าขวาญว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยถ้าท่านไม่อยากเป็นพระพุทธเจ้าท่านออกบวชสมัยปฏิพังกรนเขบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์หายไปนานแล้ว แต่มันท่านเป็นเหมือนกับคนที่ตกอยู่ในทะเลว่ายน้ำจนจะขึ้นฝั่งแล้วเอาหันไปดูเพื่อนยังเต็มไปหมดเลยท้องทะเลขึ้นไม่ได้ไม่ยอมขึ้นต้องว่ายย้อนกลับเข้าไปไปช่วยเพื่อนนั่นคือลักษณะอย่างนั้นห็นมาโครงสร้างแม่บทเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจะมีลักษณะโครงสร้างความคิดเป็นอย่างนั้นคือสร้างความสาเร็จให้แก่ตัวแต่ไม่ทอดทิ้งสังคม พอถึงจุดหนึ่งพระองค์บำเพ็ญเพียรจนสัตรุแล้วก็อยู่เฉยๆก็ได้มาเสร็จแล้วตั้งแต่วันนั้นนะวันที่สัตรุอยู่ที่โคนโพนะจบไปเลยก็ได้แล้วไม่ต้องไปอะไรแล้วทําความดีสี่สิบหปีไม่ได้เพิ่มอะไรสำหรับพระองค์แต่ไปเพิ่มให้แก่สังคมประโยชน์สู่แก่สังคมพอสอนเศรษฐีก็สอนนัาธนาอย่างนั้นลูกลูกศิก็สอนให้รวยจนเต็มที่เลยเสร็จ แ, แล้วก็มาช่วยสังคม เพราะาทรัพย์สมบัติที่คุณรวยนั้นเป็นโลกิยะมันต้องทิ้งไว้ในโลกเพราะาคุณจะต้องเปลี่ยนสิ่งนี้เป็นบุญมาพัฒนาจิตใจของคุณแล้วคุณนําไปถูกปาโลกได้แล้วทรัพย์แทนที่จะเป็นโลกียะทรัพย์มันกลายเป็นอริยะทรัพย์เป็นทรัพย์ที่พัฒนาคุณภาพชีวิตจิตใจแลจะเห็นว่ากิเลสมันก็จากเม่กิเลสมันก็จางไปคลายไปมันเทาไปเป็นผลที่สัมผัสทางใจ ได้ความสุขความสุขทั้งในปัจจุบันแลภนะภายภาคหน้าเป็นวิธีชีวิตแบบสั ต, สตว์บุรุษสัตบุรุษก็คือคนที่ยึดถือประโยชน์ทั้งในปัจจุบันภายภาคหน้าทังประโยชน์ตนประโยชน์บุคคลอื่นได้นะนี่ก็คือเกิดประกการจางของกิเลสแต่ท่านทั้งหลายอย่าลืมว่ามันมาจากมาจากข้างบนมาจากความพอใจความรักในการสมาทานสิกขาซึ่งเป็นกําลักงการปฏิบัติ แต่ประการที่สองเป็นเรื่องของการศึกษาประการที่สามเป็นการปฏิบัตินำมาปฏิบัติขัดเกลากิเลสข้อแรกท่านเย็นว่าเพิ่มความดีข้อที่สองเพิ่มความรู้ข้อที่สามลดความชั่วข้อทสามก็เป็นการลดความชั่วที่จริงก็เป็นปัจจัยที่หนุนซึ่งกันและกันก็ต่อไปนั้นมีความพอใจ มีความพอใจอย่างแรงกล้านในที่สงัดเงียบ ม, มีความรักอย่างลึกซึ้งในที่สงัดเงียบสงัดเงียบก็คือปราศจากอารมณ์ที่เป็นข้าสึกอารมณ์ที่มารบกวนเขาเรียกว่าอะไรวิสภาคอารมณ์อารมณ์ที่เป็นสัตรูอารมณ์ที่เป็นข้าสึก เดีย๋ยนี่มันมีหมดอ่ะมันทั้งอากาศทั้งอารมณ์ทั้งเสภาพผ้าไปล้อมมันยุ่งจังเลยหือถ้าออกไปข้างนอ ก, ก น, นะฮะออกไปข้างนอกไม่อยากเข้าเทพไม่อยากอยู่กรุงเทพกุเทนี่ไม่น่าอยู่เลยไม่ไ ม, ไม่ไม่ว่าอะไรก็ตาง ม, มันคล้ายๆกับมีบุญระพิตอยู่เยอะใจก็ไม่สงบนอกจากโปรงนะก็ทําใจได้ไดนะครับปลงให้ได้ เมื่อวานกลับจากวัดยานมาถึงวัดเนี่ยนะฮสี่ชั่วโมงสี่สิบ้านาทีรุมายังไงมันติดอยู่กลางถนนนี่แนะ่นตรงเนี้ยจากบางนาถึงวัดวอวรถเนี่ยสองชั่วโมงสี่ส้านาทีแต่ก็ต้องทําใจต้องตรงว่าคนอื่นก็เป็นอย่างเราเหมือนกันนะ่ะก็เดือดร้อนด้วยกันก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันแต่ว่าเวลาของชีวิตมันก็เสียไปเยอะเหมือนกันนะ่นะ ดังนั้นเรื่องที่สงัดเนี่ยท่านตั้งหลายเจตว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันค่อนข้างหายากในปัจจุบันเนี่ยนะตัวเนื้อหามันอยู่ตรงตัวไหนเราต้องมองที่ตัวเนื้อหาหเจคืออย่าไปติดใจในรูปแบบมากเกินไปมีคนก็มาคุยบางอาจารย์ข้าวไปชาร์จแบตเตอรี่ในป่ามันชวนเรื่อยมัน บ, บอกกิเลสมันอยู่ที่ใจอะ่ะ กิเลสมัอยู่ที่ใจธรรมะมอยู่ที่ใจมันแก้กันที่ใจแล้วไม่จําเป็นเนี่ต้องไปอาศัยป่ามาันหรอกอยู่ป่าถ้าคิดฟุ้งซ่านมันกิเลสมันก็เพิ่มนะฮะมันก็อยู่ที่ใจเราเราแก้ที่ใจแล้วดังนั้นประเด็นสําคัญเนี่ยอยู่ที่ว่าการส ง, งัดตรงนี้มันเน้นไปที่การเสริมสร้างปัจจัยการเสริมสร้างปัจจัยที่จะทําให้ใจมันสงบที่ส ง, งัดจึงทรงวางไว้ในรูปของสถานที่ แน่นอนสมัยโบราณนหาได้ง่ายนะฮะไดง่ายครับป่าอยู่ในถ้ำในเขาในสบายทุกวันมันไม่ปลอดภัยแม้แต่ในถ้ำในถ้ำมันก็ไม่ปลอดภัยแล้วนะฮะพระเองก็ออกกฎหมาย ห, ห้ามอยู่ในป่าด้วยไว้นี้ข้ามาอยู่ในป่าหาว่าบุกลุกป่าซะอีกยุ่งเรียกก็ถูกจับอีกนะเพราะงั้นมันมันมันอย่าไปคิดอย่างนั้นแล้วมันอยู่ที่ปรับใจตัวเราหรือย่าไปคิดปรับข้างนอกนะฮะปรับข้างนอกเราปรับไม่ได้เราก็ปรับที่ตัวเรา ให้อยู่ได้ท้ำกลางความวุ่นวุ่นทั้งหลายที่ใจเราสงบเพราะเนื้อหาจริงๆมันอยู่ที่ใจสงบท่านเรียวกว่ากายวิเวกกิตติเวกอุเบิวิเวกวิเวกกายเนี่ยก็มีสองอย่างหมายความวิเวกด้วยสถานที่สถานที่มันสงบแต่ท่านใจท่านโหยหาอาลายัยใจวิตกกังวลใจกลัวผีมันก็ไม่สงบนะป่าดีพิเศษยังไงถ้ำภูเขาเป็นพิเศษยังไงมันก็ไม่ช่วยนะ ได้อาจจะมีปัญหาเพราะป่าได้ทำไปอันตรายจากสัตว์ ร, ร้ายในป่าอันตรายจากคนในป่าอันตรายจากเจ้าหน้าที่ก็เรียกว่ารา ช, ชาพยภโจรภัยอะไรต่ออะไรมันมันมันมันมันเยอะแยะไปหมดเหมือนกันความสงัดประการที่สองก็คือกายไม่สงัดสงัดจากบาปผรทำจากบาปจากอกุศลหมายความเราอยู่ท่ามกลางอารมณ์ที่กระตุ้นยั่วยุยั่วยวนยั่วยาวให้มันเกิด รู้อำนาจแกอารมณ์เดี๋ยวเราไม่ทำอ่ะก็ส่งเสียงดังเราก็ปล่อยเขาดังแต่เพราะเขาเราไปแก้เราไปแก้เขาไม่ได้แต่เราแก้ที่ใจเราเราไม่สนใจไม่ใส่ใจเสียงดังก็ดังนะอย่างวัดบวเนี่ยหมาเห่าเป็นปกตินะถ้าเราไปเดือดร้อนกับเสียงหมาดึกดึกดึ๋งดก็ลงมาทะเลาะกับหมาไม่ต้องไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนเราก็ปล่อยมันไปหมาก็หมาเราก็เราก็ต่างคนต่กงก็อยู่ต่างคนต่างทหน้าที่ไป การปรับใจจึงกลายเป็นเรื่องใหญ่เราอย่าอย่าไปให้ความสำคัญกับตัวสถานที่ว่าเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยพวกนี้ก็เรียกปัจจัยเป็นตัวเสริมเป็นตัวหนุนแต่นั้นเองเป็นตัวให้เกิดความสงบเท่านั้นเองแต่ถ้าเราสามารถทำใจเราได้เราอยู่ที่ไหนเราก็ทำได้ไม่ใส่ใจแต่อย่างไม่สนใจแต่อย่างก็จบว่าวุ่นก็สับสนยังไงเราก็สงบได้นี่ก็อยู่ที่การฝึกแล้วก็ พอความสงบเข้าเข้าถึงใจมันก็ได้ตัววิเวกจริงๆได้ความสงัดเงียบจริงๆถ้าได้สถานที่ด้วยมันก็ดีนั่นแหะนะฮะได้สถานที่ด้วยก็ดีดดดแต่ว่าเอามามองว่ามันมันได้อย่างเสียอย่างโดยเฉพาะเหตุการณ์ในปัจจุบันสมมติว่าพวกพระที่มีความสนใจตั้งใจจะทําทงานแล้วก็มีความสามารถพอทํางานในแก่สังคมได้แล้วก็หลบเข้าป่าหมดเมันก็ยุ่งเหมือนกันมันไม่มีคน ให้คนมาช่วยกันว่าปัญหาต่างๆในสังคมต้องช่วยกันหลายสายหลายฝ่ายได้กันแต่ปโยชน์ในแต่รัฐบาลนั้นไม่ได้หรอกอะไรก็โยนรัฐบาลเรื่อยมันก็มันไม่ ม, ไมีไม่มีใครสามารถทําปัญหาโดย้แก้ปัญหาต่างๆได้โดยลําพังแต่ว่าก่อนจะทําอะไรก็ให้มาปรับที่ตัวเองคือสร้างลักษณะนิสัยโน้มเอียนงะที่จะให้พอใจยินดีในความสงัดเงียบทั้งหลาย พูแงวความเป็นดวงของตัวเองคือทํำยังไงว่าอย่าเรื่องทั้งหลายที่มันเกิดจะอ่านข่าวจะดูโทรทัศน์จะอ่านหนังสือพิมพ์ใจอะไรต่อะไรก็ถามคือข่าวก็คือข่าวแล้วอย่าไปแบกข่าวตรงนั้นอย่าไปกรัดรูปอย่าไปเดือดร้อนอย่าไปฟูอย่าไปแฟงแก่ข่าวเหล่านั้นชักเขาแต่เราก็ต้องอ่านนะเราก็ต้องรู้เราก็ต้องรับฟังเอาไว้เรื่องราวต่างๆเพียงแต่อย่าไปเดือดร้อนมันก็ได้ตัวตัวสงบตัววิเวกนะฮะตัววิเวก ค, คือตัวความสงบ เพราะเนื้อหาจริงๆอยู่ที่สงบจิตการที่จิตจะสงบก็คือการลดกิเลสป่ามันก็ช่วยในการลดแต่ไม่แน่ป่าอาจจะไม่ช่วยก็ได้ป่าอาจจะช่วยก็ได้เจอคนวัวผีมันก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันแน่ๆธรรมะในทางศาสนาจึงมีอยู่เยอะที่พระเจ้าต้องใช้วิธีการแก้ปัญหาเรื่องป่า ถ้าเกิดเข้าไปอยู่ในฝา่าปรากฏเราอยู่ไม่ได้เกิดกลัวผีมั่งถูกหลอกล้อนมังถูกเบียดเบียนมั่งเอามัต้องแก้ตรงนั้นให้ได้ก่อนอันที่กว่าจะสงบ ม, มันก็ต้องเที่ยวไปเทียวมาทั้งหลายครั้งหลายครั้งดังนั้นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งก็คือแก้ที่จิตแก้ที่จิตก็อยู่ที่บ้านก็ได้เป็นเอกเทศความสงบไปแก่ตัวเองตัดกระแสของอารมณ์ ยามนอนก็คือนอนคือสงบใจนอนไปเลยประการต่อไปนั้นมีความมีฉันทะมีฉันฉันทะคือความพอใจในการประรบความเพียรและมีความรักอย่างแรงกล้าในการประรบความเพียรตรงใช้คำตรงนี้ดีนะอารัตทะวิดิโยแปลว่ามีความเพียรที่ประรบแล้วนะฮะแต่จริงๆมันเริ่มขึ้นในะท่านเรียกว่าอารัพะคือริเริ่ม งานทั้งหลายในโลกให้ลองสังเกตว่าผู้เจ้าเป็นผลริเริ่มเป็นหัวคิดในปัจจุบันที่เขาพูดถึงถึงแรงงานลักษณะผู้นำนะฮะผู้นำมันมันจะมีสามอย่าง4ี่อย่างสี่อย่างคือหนึ่งมือไม่ถึงต่อไม่ได้นะฮะต่อไม่ได้เช่นว่าจะจะเป็นระดับใดก็ตามบนหน้ากองรองอธิบดีอธิบดีจนถึงรัฐมนตรีเนี่ยมือไปถึงคนก่อนนาไม่ได้ไม่มีประสิทธิภาพ ประการที่สองนั้นคือสืบสานงานได้นะครับสืบสานงานได้รักษางานดั้งเดิมความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏแล้วก็แนวต่อไปก็คือพัฒนาต่อไปได้พัฒนาต่อจากที่ท่านวางไว้แล้วเนี่ยไปได้ประการที่สามนั้นบุกเบิกสร้างสารรค์เขาเรียกว่าหัวคิดริเริ่มสร้างสารรค์คิดเริ่มสร้างสารรค์คือการปราบความเพียร นะหมายความว่าสิ่งเนี้ยยังไม่มีคนคิดยังไม่มีคนทํายังไม่มีคนริเริ่มขึ้นเราก็คิดเราก็ทําเราก็ริเริ่มขึ้นพระเจ้าเป็นคนกล้าคิดกล้าพิสูจน์ทดสอบกล้าทําแล้วก็กล้าพูดพระพุทธเจ้ากล้าพูดทีหลังนะฮะให้เราสังเกตไว้พระพุทธเจ้าคิดถึงทางจัตสรูนี้ว่ามีคิดตัวเองนะคิดตัวเองแล้วก็ทําเองพิสูจน์เองใช้เวลาคนคว้าอยกปี แต่ะรู้แล้วก็ตั้งเท่าไหร่ล่ะตั้งเจ็ดแปดสัปดาห์นะฮะยิงมาพูดพูดทีหลังนะฮะแต่ถ้าเราลองสังเกตว่าคนปัจจุบันพูดก่อนพูดก่อนทำนะฮะแล้วทําแล้วคิดนะฮะเห็นไหมพูดก่อนทําแล้วก็ทําแล้วคิดมั่วหมดเลยนะตัดถนนตรงนี้ ทำเสร็จแล้วโอ้ยประปาอยากไม่ได้ลงโทรศัพท์ก็ยังไม่เข้าไฟฟ้าทำไมข้ดขุดขุดขุดทำแล้วคิดเห็นไหมพระพุทธเจ้านั้ น, น, นท่านท่านคิดก่อนเลยท่านคิดก่อนแล้วพิสูจน์ทดสอบในทฤษฎีที่คิดแล้วถ้าเป็นไปตามที่คิดก็พูดเตอนพูดอยู่พูดที่หลังพูดที่หลังไม่จะพูดก่อนวิธีหมาบรุษจึงไม่เหมือนกับคนโดยทั่วไป มาบ่เอ่ยคนทัวไปนั้นจะพูดก่อนบางทีนอนกลางคืนคินคดลุกยิชาสัมภาษณ์แล้วสัมภาษณ์เลสัมภาษณ์เรื่อยเลยมีคนสัมภาษณ์ทุกวันเลยนะลองฟังดูบางทีเนี่ยเด็กถามให้สัมภาษณ์ก็ตอบตอบโดยไม่ได้คิดอะไรทลายหรอกดังนั้นความประรุความเพียรก็คือหมายความว่าใช้ปัญญาพิจารณาตรวจสอบมองเห็นไอ้นี่มันควรจะทำไอ้นี่มันควรจะเป็นแล้วก็ใช้ความเพียรพยาย เป็นความเพียรพยายามทรงใช้หลายคําเพราะว่าผลทั้งหลายในชีวิตคนนั้นไม่มีอะไรโดดเด่นน่ะนะมั น, นะ ม, น, ม, นมันเป็นเรื่องของความเพียรพยายามทั้งนั้นบางทีทรงใช้คําว่าป ร, กรักกรมะแปลว่าบากบัน่นต่อสู้ชีวิตเอาจริงเอาจังนะไม่คํานึงทังอุปสรรคอันตรายทั้งหลายบางทีทรงใช้คําว่าวายามะคือพยายามไปเรื่อย มาที่ทรงใชค้คาว่าสาตจักกิริยาตาต้องต่อเนื่องต้องทําต่อเนื่องเธอช้าเธอเร็วเธอช้าก็ได้แต่เธอเดินดได้เลยแบบเตา่าช้าก็ได้เดินไม่ได้เลยแล้วก็ถึงเองอาจจะถึงช้ากว่าคนอื่นแต่ว่าอย่าหยุดความพยายามอย่างที่เราคุ้นๆ น, นะวาญเมเทวบริโสดยาวาอันตานัาสันิเพทา บุคคลพึงใช้ความเพียรพยายามไปจนกว่าจะสำเร็จประโยชน์ตามที่ตนต้องการจุดหมายปลายทางอยู่ตรงไหนเดินไปถึงไม่รู้หกล้มหกลมพังเพราะพาดครานไปก็เอาต้องไปมันถึงนั่นคือแนวที่ทรงใช้กับว่าปรารกความเพียรทีนี้ความเพียรโดยรวมคืออะไรก็เรียกมองเห็นบาปเป็นบาปมองเห็นบุญเป็นบุญเน่ะ ก็หมายความมาวิเคราะห์ว่าบาปเนี่ยมันจะมีอยู่สองอย่างให้ลองสังเกตนะครบาปหนึ่งสองอย่างคือบาปจะยังไม่เกิดกับบาปที่เกิดแล้วมองให้เห็นโทษแล้วพยายามอะไรก็ประคัความเพียนที่จะป้องกันบาปแล้วก็ละบาปเอาความดีความดียังมีสองอย่างความดีที่ยังไม่เกิดกับความดีที่เกิดแล้วก็มองพิจารณาวันนี้เป็นความดีก็เรายังไม่มีหรือมีน้อยมียังไม่พอ เ็าเพิ่มพูนความดีขึ้นที่จริงคนเรามีดีทั้งนั้นนะแต่ว่ามันปัญหาสําคัญว่าดีบางทีเนี่ยมันมีไม่พอใช้ปัญหาใหญ่มาอยู่ตรงนี้ฮะท่านหลายลองสังเกตว่าคนเราดีมาตั้งนานนะบางทีเนี่ยไม่เคยทำชั่วแรงๆมาเลยตลอดอายุจากกาเสียแล้ว เ, เกิดลุ่มอำนาจเป็นห่วงตัวเองตอนแก่กลัวจะไม่มีเงินทอง เลยก็เอาเคสักก้อนนึงจับได้เลยติดคุกเลยเห็นไฮะใจมันไม่พอความโลภมันแรงกว่าเป็นห่วงตัวเองเป็นห่วงลูกหลานเป็นห่วงอนาคตวัวจะไม่มีใครจะเลี้ยงดูอะไรแต่ว่าไปเลยเมื่อก็กลายเป็นขาดกำลังในการคุ้มครองรักษาตัวเองเพราะจริงๆถ้าเราดูอดีพระเจ้าทรงชชยคำว่าภาวนาพระภาวนาก็มาความเพิ่มขึ้น ถ้าให้มีขึ้นทําให้เป็นขึ้นอะไรที่มีอยู่น้อยก็ทําให้มีเพิ่มขึ้นอะไรที่ยังเป็นน้อยก็ทําให้เป็นเพิ่มขึ้นเอาความดีแต่เรามีแล้วทางนั้นท่านลองด่ายลองเราสังเกตสติเราก็มีความเพียรเราก็มีปัญญาเราก็มีสมาธิเราก็มีศรัทธาเราก็มีขันติเราก็มีเมตตาก็มีกรุณาก็มีทั้งนั้นน่ะไม่มีธรรมะอะไรที่เราไม่มีอ่ะแต่บางทีมันมีไม่พอใช้มีไม่พอใช้ รักษาศีลมาอย่างดีนะฮะออกไปหน่อยเพื่อนไปเจอเหล้าอย่างดีราคาแพงก็ชวนดื่มๆเลยรักษาศีลไม่ได้ตั้งสองชั่วโมงไงดื่มๆเหล้าเสร็จแล้วเห็นเหล้าดีกว่าศีลทำศีล ม, มีแม่งก็มีมาตั้งสองชั่วโมงอ่ะนะแต่ถ้าเหล้าไม่ดีอาจจะไม่ดื่มก็ได้ไหมเนี่ยเพราะดีมันเกิดเหล้าดีขึ้นมาก็เลยดื่มนี่ก็คือก็คือพอไปเจอตัวกระแทกเนี่ยเราทนไม่ได้ การมีก็คือมีเหลือใช้เหมือนมีเงินเหลือใช้มีความรู้เหลือใช้มีพีมือเหลือใช้มีกำลังเหลือใช้เวลาวิกฤตขึ้นมาเนี่ยมันมันมันแก้ปัญหาได้ตานแต่ไายลองสังเกตนะฮะว่าเวลาเนี้ยที่ก็รื้อเขื่อนอะไรรื้อๆก็สอบสายนั่นคือแสดงว่ามันท้ายแพ้ต่อเหตุผลไว้การสอบสายที่ก็กั้นอย่างน้อยเนี่ยให้ให้คนเอาข้าวของไปให้ได้ก็ยังดี เดินมาหาสู่ได้ถนนยังอยู่ได้ก็แล้วกันน่ยบ้านท่วมบ้างมันไม่จะท่วมหมดเพราะท่วมหมดแล้วใครจะไปส่งเสียอาหารมันจะไปได้ยังไงเอ้าถ้าสมมติว่าท่วมตรงกลางเนี่ยฮะตรงเขตเศรษฐกิจตรงนี้ยทั้งประเทศเนี่ยเอามาพาทันทีเลยอาหารข้าไปได้ออกไม่ได้เนี่ทำยงไงก็ตายกันหมดเลยอันนี้คือคือคือคือมันพอเห็นแก่ตัวแล้วมันลืมหมดเลยแล้วพูดจาก็ไม่มีเหตุผลรัฐมนตรีไปเยี่ยมอย่างอื่นไม่เอาให้ฝนน้ําลดเดี๋ยวนี้ พูดอย่างกฐิวดารัตนตีเฐวดาได้นะอันนีค้คือเราจะเห็นว่าเอาก็จริงเนี่ยธรรมะที่จริงมันมีถ้เหตุผลยามปกตินะฮะพออารมณ์วิกฤตเข้ามาแล้วเนี่ยเราไม่มีเหตุผลไปตรงนั้นถ้าก็ใช้ประลกความเปลี่ยนทั้ง4ด้านมั น, เ ป, นเป็นการเพิ่มภูมเราจะเห็นว่าตัวไม่ดีเนี่ยมันลดลงไปตัวดีมันเพิ่มขึ้นเมื่อกลายเป็นภูมิคุ้มกันรักษาคุ้มครองเพิ่ ม, ม เ, เสริมความแข็งแกร่งวิกฤตการทนได้ทานได้สู้ได้ ถ้ไม่แรงเกินไปนะปูุ้ชนในพูดว่าในระดับไม่แรงเกินไปถ้แรงเกินไปมันก็เอามาอยู่เหมือนกันประการต่อไปนั้นก็คือมีความพอใจในการใช้สติสตินรไม่ต้องพูดมันเป็นเป็นเป็นหลักนะครับแล้วก็มีความรักอย่างลึกซึ้งในตัวสติทั้งหมดท่านจะเห็นว่ามาเหลือสติเพีเดียวละทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยฟังฟังฟังฟังว่ามาแล้วหาข้อที่จริงก็คือ เสริมสติตัวเดียวก็ไปได้แล้วเพราะสติจะเป็นหลักสติจะเป็นตัวทั้งป้องกันทั้งตัวบำบัดทั้งตัวบำรุงและตัวรักษานะจะรักษาอะไรก็ใช้สติรักษาเราจึงได้ยินคำสติเนปเกน่านี่เลยสติเนปเกนา่าพระเ้พูดไปก็สติเนปเกนคือใช้สติเป็นตัวรักษาเป็นตัวคุมมองปัญหาต่างๆนะในแง่ที่เรียกว่า สติปลว่าสั้นมันเป็นรัศมีนะฮะเป็นรัศมีแบบเดียปัญญาเป็นการระลึกรอบตัวรอบครอบลักษณะของคนที่ตื่นภัยนะฮะเราจะเห็นว่าตื่นตัวตื่นภัยนะมันไม่ได้มองเฉพาะมุมใดมุมหนึ่งแต่ว่ามองอย่างรอบครอบรอบด้านแล้วก็ใช้สติคุ้มครองเวลาเราพูดกรรมาฐานเราจึงพูดสติมาสติมาแปลว่ามีสติ มันต้องมีสติเสียก่อนสติจึงจะคุ้มครองเราได้แล้วใครเป็นตัวสร้างขึ้นเราก็ต้องสร้างขึ้นทีนี้การจะสร้างขึ้นได้เราก็ต้องพอใจในตัวสติแล้วก็มีความรักในสติเพราะถ้าเรามีสติแล้วแม้ยจ ง, งอึดจะขาดเนี่ยเราก็รักษาได้อย่างที่โบราณนั้นพูดว่าเสียอะไรก็เสียไปแต่ใจเสียที่จริงก็คืออยาขาดสติ ขาสติบางทีก็บ้าเลยนะทรัพย์สมบัติกี่สิบล้านมันก็ทําอะไรไม่ได้แล้วแต่ถ้าเรายังมีสติไ ม, ม่เหลือสตางส์สตางสักบาทหนึ่งมันก็ยังทําอะไรได้เพราะสตางมันไม่มีมาตั้งแต่ต้นล้มไปทีมันก็ลุกขึ้นมาได้ถึงจุดหนึ่งก็เรียกว่ารักษาสติเอาไว้แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรหล้วมันแก้ไขอย่างน้อยก็ลดความรุนแรงลดวิกฤตการณ์ลงไปได้ความสูญเสียก็จะลดน้อยลงไป แต่เราต้องรักต้องพอใจแล้วก็เห็นคุณค่าของสติการเสริมความคิดตรงนี้เราอาจจะได้นะฮะอาจจะได้จากละครก็ได้นังซื้อพิมพ์ก็ได้ข่าวคราวอะไรก็ได้นะฮะที่จริงมันเป็นการสะท้อนธรรม ท, ท้งนั้นเพียงแต่ว่าเราจะหยิบฉวยสาระประโยชน์จากตรงนี้ได้หรือไม่ และการต่อไปทรงเปลี่ยนคํานะจริงๆตัวนี้คือปัญญาแต่แต่แต่แต่แตไม่ได้ใช้คำยาทรงใช้คําว่ามีความพอใจมีความรักอย่างลึกซึ้งเหมือนกันนะในการขบเจาะสิ่งเหล่านั้นด้วยทิฏฐิคือความคิดความเห็นของตนมาความสิ่งทั้งหลายข่าวครวทั้งหลายที่ผ่านมาเราจะต้องมีการวิเคราะห์ว่าไอเนี้ย มันมันเกิดขึ้นปัจจุบันอดีตมันเป็นยังไงอดีตมันเป็นยังไงอนาคตต่อไปจะเป็นยังไงเราสามารถจะมองสิ่งสิ่งนั้นมันเกิดในปัจจุบันนะนะแต่ว่าอดีตเนี่ยมันคืออะไรและต่อไปอนาคตเนี่ยมันจะเป็นยังไงยามเ้เนี่ยมีข่าวคราวที่กำลังติดต่อประสานกันอยู่นะฮะเมื่อวันซืนนี่สภาความมั่นคงส่งคนมาหาแตมาให้ช่วยบรรยายสรุปให้ไปมาดูหรือล่กลับไร มันส่งเด็กมาสอบถามปัญหาระดับใหญ่เลยเด็กสี่สามะสมุดจะมาเขียนตั้นิดก็ไม่มีปากกาสักด้ามก็ไม่มีเทปส ม, มุนก็เทปเครื่องก็ไม่มีฮะแล้วมาถามเรื่องที่ตัวเองไม่มีพื้นความรู้เลยถามว่าเธอเรียนจบอะไรเรียนจบคณะมนุษย์มาไอ้นี่มันคณะปรัชญาแต่นี้เป็นเรื่องระดับปรัชญาซึ่งต้องนั่งอธิบายลําดับความกันเยอะเลยมันไม่ใช่ว่าต่อกันได้เป็นพูดได้ เลยบอกถ้าต้องการรู้ก็ไปเอาตัวโ ต, วตวมาแลกกันเอาตัวหัวหน้านี่มาพูดแล้วมาจะอธิบายความระโยกทีมาได้จะเลคเชอร์ไอ้ขังมันจะต้องพูดให้เห็นว่าอาดีตๆๆๆมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นๆยปัจจุบันมันเป็นอย่างนี้ต่อไปมันจะเป็นยังไงแล้วบทเรียนในอดีตเนี่ยคืออะไรอยู่ที่ในส่วนไหนของประเทศประเทศไหนมันเกิดยังไงไงเราต้องเราเราต้องสามารถที่จะมองมาได้ทางระบบคือถ้าเรามองง่ายๆเนี่ย เรามองง่ายๆถ้าท่านท่านทัน้งหๆเราสังเกตว่าจุดอ่อนในบ้านในเมืองเราที่เคยมีปัญหาเนี่ยคือมักได้มักใหญ่มักง่ายสามมักเนี่ยฮกรุงแตกสองครั้งก็สามมักเนี่ยเห็นไหมมันมีคนมักได้มักใหญ่มากๆเห็นเกตตัวแต่ผลงากรุงก็แตกเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยเรารู้สึกว่าเราได้แต่เราได้ไม่นานเห็นไหมเหมือนพระยาจั ก, กรีได้ นำพม่าเข้ามาเสร็จแล้วพม่าเอาไปฆ่าใช่ไอ้พวกมันได้มากๆมานง่ายเนี่ยเพราะมันง่ายเนี่ยมันขาดการมองการการมองต่อไปยังไงเนี่ยคนทรรโยตต่อชาติบ้านเมืองเองใครก็จะเลี้ยงไว้บทเรียนจากจากพยาจักรีในสมัยกรุงแตกครั้งที่สองเนี่ยมันคือบทเรียนคือบทเรียนที่คนอื่นจะต้องคิดตามว่าขึ้นเป็นยังไงมันก็เป็นยางนั้นี่ยสุจเรรุชชาก็เป็นหลายหลายเรอะ ปัญหาต่างๆเนี่ยมันไม่ได้มีเท่านั้นนะคราวต่างๆอะไรมันก็ต้องถามมาจากไหนเห็นไหมอะไรก็ต้องมาจากไหนแล้วก็เกิดขึ้นเพื่ออะไรมันได้ประโยชน์ให้โทษยางไงมันก็ต้องตั้งปัญหาถามสามปัญหาสี่คำถามได้อะไรแน่นอนมันเกิดขึ้นปัจจุบันแต่อะไรเนี่ยมันเกิดขึ้นปัจจุบันไม่ต้องมีอดีตเข้ามาอดีตเนี่ยมันคืออะไรมันมาจากไหน ก็สาวไปหาอนี้ดูแต่เมื่อเกิดขึ้นเพื่ออะไรเจ่ว่าการโฆษณาสินค้าอะไรอะไรเราจะเห็นว่าอะไรต่อโฆษณาสินค้าโฆษณาเพื่ออะไรมาจากไหนเอามาจากสหรัฐอเมริกานะไอ้ปลูกปวกปลูกฟพู้ดทั้งหลายเนี่ยนะหรือเพื่ออะไรก็เพื่อเพื่อผลทางเศรษฐกิจเขาแต่ไม่ใช่เศรษฐกิจอย่างเดียวนะเราจะเห็นว่าจริงๆไม่ใช่เศรษฐกิจอย่างเดียวมันเป็นค่านิยมมันเป็นสังคมมันกลายเป็นวัฒนธรรม ที่มันจะเข้ามาทางใดก็ได้นะฮะเข้ามาทางใดก่อนก็ได้มันก็เหมือนกับอะไรล่ะมันก็จับปลานะฮะจะจับยังไงก็ได้จะตกเบ็ดก็ได้จะทอดแผ้ก็ได้จะดักลอกก็ได้อะไรคุณเสร็จแล้วก็คือปลาคือปลาก็ตายมันมั น, ม, นมันมองว่าจริงๆริงไอ้สิ่งต่างๆมันไม่มีรูปแบบอะไรมากมายนะเพียงแต่ว่าเราเราเป็นหลงตัวรูปแบบ เราไม่ได้นึกไว้เนื้อหาที่จริงมันไม่ได้ลึกซึ้งอะไรหรอกเนื้อหาเนี้ยพอเราเห็นปั๊บเราก็เข้าใจแล้วนะฮะว่าเออตรงนี้มันควรจะเป็นยังไงอย่างเมื่อคืนมีคนก็อัดเทปไว้ดึกแล้วนะะตอนกลับมาจา ก, จา ก, จา ก, ว, กวัดจาไอ้ผศวชก็โทรมาถามพ่าจะตั้งก็คิดสั ญ, ญลักษณ์ของครูจะมีครูรสภา จะมีสภา ค, ครูนะฮะจะเอาสั ญ, ญลักษณ์อะไรก็เฉียงกันดอกเข็มดอกเข็มบางหญ้าแพรกบางอะไรทต่ไหนมาเพราะถ้าคุณจะเอาครูเนี่ยคุณสั ญ, ญลักษณ์ต้องเป็นแสงสว่างต้องเป็นวิชาชีพมันต้องมีแสงสว่างแกบอกเขาอยากเป็นดอกไม้ถามว่าถ้าดอกไม้คือคิดเป็นเศรษฐกิจคิดจะขายดอกไม้แบบดอกป๊อปปี้แบบดอกกุหลาบแบบดอกอะไรวันแม่วันเวอรนคิดจะขายแต่คุณคิดครูเดี๋ยคิดเศรษฐกิจ แต่คุณคิดเศรษฐกิจก็ต้องคิดอีกแบบหนึ่งแต่อย่าลืมว่าวิญญาณความเป็นครูจะไม่ซึ้งเลยแต่ถ้าคุณจะคิดแบบวิญญาณครูต้องครูคือผู้ให้แสงสว่างคือครูครูครือคือประทีพสองทางชีวิตในการเป็คนพระบรมครูก็คือประชีพสองทางชีวิตทีนี้อย่าถามว่าประนีประนอมจะาดอกไม้ให้ได้บอกถ้าเอาดอกไม้เนี่คุณต้องนึวกว่าสัญลักษณ์มันต้องออกมาความรู้ดีความประพื้น ด, ดีด้วยแต่ดอกไม้เนี่จริงๆ มันมีอยู่สี่ชนิดนะรูปไม่สวยกลิ่นไม่หอมความรู้ไม่ดีความระพฤติไม่ดีเป็นสัญลักษณ์ไม่ได้รูปสวยกลิ่นไม่หอมความรู้ดีความประพฤติไม่ดีดีอย่างเดียวหรือว่ารูปไม่สวยความรู้ไม่ดีกลิ่นหอมความระพฤติดีก็ยังยังไม่สมบูรณ์ในการศามันต้องเอาดอกมาชานิดที่รูปก็สวยกลิ่นก็หอมถ้าจะเอาก็เอาดอกกุหลาบ เอากุหลาบไปเจอกาลูเรนไทยถ้าคุณเอาคุณเอาแสดงความบริสุทธิ์คือดอกกุหลาบสีขาวเราลงมาให้ไปสองแนวแล้วคุณจะเอายังไงเอายังไงเนี่ยคือเราจะเห็นว่าเมื่อถ้าเราเอาอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งมันจะหย่อนนะเราจะเอาวิญญาณครูแต่คิดถึงเศรษฐกิจ ด, ด้วยมันก็หย่อนครูคิดแต่เรื่องเงินคิดแต่เรื่องเงินเวลาสอนก็น้อยวิญญาณครูก็อ่อนแต่ได้เงินแยอะ พการมองเนี่ยเขาเรียกว่าทิฏฐิยาสุปฏิทาว่าครบเจาะด้วยทิฏฐิตัวอะไรเนื้อหาต้องเอาตรงนั้นมันไม่ใช่เอาหมดนะเอาหมดมาเราไม่ได้อย่างพระพุทธเจ้ามีกติเป็นสองจะเอาอะไรล่ะเอาเป็นพระพุทธเจ้าหรือเอาเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเป็นอย่างเดียวนะคําว่าสองเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่เป็นสองอย่างว่าคนที่มองปัญหาทางระบบมันก็มองเห็นว่าอะไรเป็นประโยชน์มากกว่า มองตัวเป็นเนี่ยเป็นที่มาของประโยชน์ประโยชน์ประโยชน์เราอาจจะเท่ากันหรืออาจจะอะไรมากกว่าเอาประโยชน์แก่มวลชนเอามวลชนระยะสั้นระยะยาวประโยชน์ทาว่อนโจะเห็นว่าพอมองบวกลักคุณหารแล้วเป็นพระพุทธเจ้าได้ประโยชน์มากกว่าทั้งของพระองค์เองแล้วก็ของประชาชนยุคนั้นแล้วก็การเวลายาวนา วันนี้ก็คือมองในแนวเรียกว่าชิตติยาจุปฏิบทาคบเจาะวยจิตๆความคิดความเห็นในแต่ละเรื่องนะฮะวันนี้ก็ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเป็งทันี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแต่ท่านสหายชนละลายโดยทั ก, กันทุกท่านคือ